ขอความเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพติยานได้นำเสนเอเบกขาบารมีซึ่งถือว่าเป็นบารมีข้อสุดท้ายในกรณีที่ท่านเรียงโดยเริ่มมาจากฐานบารมีที่พูดถึงกรณีนั้นก็ตรงนี้ที่จริงแล้วแต่เรียงนะคือท่านจะเรียงยังไงก็ได้แต่เรียงแนวของชาดกมันก็อีกแนวหนึ่ง ให้ลองสังเกตว่าใช้เนคขมะบ ร, รมีนําคือพูดเรื่องเตมีโพธิสัตว์ก่อนโดยตรงนี้พูดเรื่องเวทสันดรก่อนทั้งๆ ท, ที่ว่าในตัวชดกเนี่ยเอาเวทสันดรไว้หลังสุดแต่เมื่อนับไปนํามาก็เจอบ ร, รมีสิบก็แล้วกันก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าการเรียงแบบองค์ธรรมอย่างนี้คือทานศีลเนคขมะปัญญาเนี่ยเป็นการเรียนตามโครงสร้างของไตรสิกขา แล้วก็ประกอบกิเลสคืโลภะโทสะโมหะโดยตรงเราะะฉนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมันก็คือทานศีลปัญญานั่นเองหรือว่าทานศีลเนกามปัญญาเขาเรียกว่าบา ร, รมีหลักมันก็มีแค่สีข้ออุเบขาจึงเป็นอุปการะบา ร, รมีที่ใช้ประกอบบา ร, รมีทุกๆบา ร, รมีวันก่อนได้พูดถึงฉลังอุเบกขา แปล ว, ว่าอุเบกขาคือการทําใจเป็นกลางไม่ให้เกิดความยินดียินไรเวลากระทบกับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประษาทสัมผัสตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าชีวิตของเราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารยุคของสารสนเทศเนี่ยการโฆษณาการประชาสมัมผลสัมพันธ์เชิญชวนซักชวนโน้มน้าจิตใจของบุคคลในอ่อนไหวไปตามกระแสของการโฆษณาเนี่ยมันกว้างขวางจนน่ากลัว แล้วก็บางครั้งบางคราวเราก็ฟังข่าวอ่านข่าวเรื่องอะไรคือหมายควา ม, มาเมื่อไรก็คือเมื่อนั้นเลยลักษณะของข่าวคราวที่กระตุ้นให้กลัวยั่วให้อยากแล้วมอมเมาให้เกิดความสับสนหากินได้ตลอดวันก่อนมีนักศึกษาจากมาวเลาลัยมาิดล ก็มาสัมภาษณ์เพื่อทําปัญญาโทนะคําถามก็ดีคราถามก็ดีมากแต่ว่าประเด็นในหลายเรื่องที่เราจะเห็นว่าเรามีประสบการณ์คือได้ยินได้ฟังข่าวคร า, าวในเรื่องตรงนี้ เ, เช่นยกตัวอย่างว่าเรื่องเรื่องน้ําจะท่วมโลกเรื่องโลกจะแตกเรื่องดาวจะวิ่งก็ชนโลก อะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยก็บอกให้เธอทราบว่าพวกเหล่านี้สมมติว่าอยู่บนสมมติฐานว่าจริงมันจะเกิดขึ้นจริงแล้วถามมามันได้ประโยชน์อะไรเอามาคิดมันเป็นปัญหา น, นอกวิสัยที่เราจะแก้ไขได้สมมุติว่าน้ําท่วมโลกเนี่ยใครจะแก้ไขมันได้สมมุติว่าดาวแปดวงจะชนโลกยี่สบดวงจะชนโลกเนี่ยใครแก้ไขอะไรได้ กลัวไปก็ท่านนั้นเองไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ทําใจเป็นกลางๆไงเฉยๆผ่านวันเวลาไปอย่างมีสาระมีแก่นสารเกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตตาก็ตายนะฮะโลกแตกไม่ใช่เราตายคนเดียวเนี่ยแต่เราตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกเพราะเรามีกิเลสยังมีกรรมมันก็นําไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณก็เกิดในโลกอื่นไม่ไม่ต้องเดือดร้อนอะไร เราก็ไม่ใช่เจ้าของโลกนี้เราอาศัยโลกนี้ชั่วคราวแต่นั้นเองไม่ตื่นเต้นอะไรกับเรื่องเรานะือบางทีเนี่ยมันเกินเหตุเกินผลไปแล้วก็ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรในการมองปัญหาเรานั้นเพราะเราเพราะเรา อ, อนไหวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันผ่านมาทางประสาทสัมผัสรอนการรับฟังข้อมูลข่าวสารมันจะต้องผ่านระบบ ระบบของจิตคือกระบวนการทางจิตในการรับอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเราเลือกได้ก็เลือกคือไม่จำเป็นอย่างภูมิต้านทานทางจิตไม่ได้เข้มแข็งมากพอต่อการจะวินิจฉัยเรื่องราวเหล่นั้นพร้วก็หลีกหนีอารมณ์บางอารมณ์เพราะอะเพราะทำใจวางเฉยไม่ได้เรายังไม่พร้อมที่จะ เสริมความเข็มแข็งภายในยจิตจนวินิจฉัยอารมณ์ได้แล้วก็วางเฉยได้ก็หลีกหนีเพื่อไม่ให้เกิดปัทะแรงเกินไปจนสังเกตว่าสถานที่เป็นอันมากที่ท่านเรียอกอะโคจรคือไม่ควรไปถ้าไปแล้วมันจะกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะแล้วก็เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายนะพวกแรงอบายามุขทั้งหลายเนี่ย เราสังเกตว่าเมื่อแถววันที่ตั้ง่สิบเอ็ดสิบสองมีข่าวกันยิงกันที่อาคารแถวพุทธมณฑลมีคนบาดเจ็บมีคนล้มตายนะบาดเจ็บหลายคนนะก็ตายไปสองคนแล้วก็ออกมายิงต่ออีกสามคนนั่นก็คืออะไรก็คือว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงต่อภัยต่ออันตรายต่างๆแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นและสติมันไม่ค่อยดีอพอเมาเหล้าแล้วเนี่ยตอนเข้าไปสติอาจจะดีนะฮแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราเหนียวนึกหลึกนึกด้วยเหตุด้วยผ ล, ลการเข้าไปในสถานที่นั้นที่จริงเป็นการสิ้นเปลืองแล้วครอบครัวเองก็ขาดความโมกุ่นแล้วก็คุณค่าทางอาหารความสะอาดของอาหารอะไรแต่ไรถ้าคิดต่อไปได้เนี่ย ใจมันก็จะไม่สายเข้าไปวิ่งเข้าไปหาปัญหาเหล่านั้นก็แสดงอุเบกขาก็มีกําลังขึ้นได้ระดับหนึ่งคือไม่โดนกระแทกกลายเป็นภูมิด้านทันจิตทีนี้อารมณ์ที่วิ่งเข้ามาหาเนี่ยกลายเป็นอารมณ์ที่ใหญ่ขึ้กิจกรรมการโฆษณาปรากฏในสังคมคือครอบงําสังคม ยันที่บอกว่าทะยุให้อยากถ้าครูให้กลัวทะยุให้อยากนะครูให้กลัวแล้วก็ยุให้อยากแล้วก็สร้างความสับสนจริงไม่จริงสร้างความสับสนนี่ก็เกิดไปจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงแล้วจะเห็นว่ามันจะเป็นอาการของโลภะกระตุ้นโลภะกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะ แต่มันจะไปได้ง่ายๆอย่างในกรณีของการโฆษณาในเรื่องอะไรล่ะเรื่องสองเรื่องปรากฏเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะแนวหนึ่งก็คือพูดเสนอพูดเรื่องเปรตที่มีการแสดงเรื่องเปรตต่างๆนะแล้วก็พูดไปพูดมาจนกลายเป็นเปรตไม่มีไปเลยที่จริงมันคนละเรื่อง คือหมาความว่าแสดงนีนจริงหรือไม่จริงไม่ใช่มีจริงหรือไม่มีจริงคือเปรตมีจริงเป็นการรู้เห็นด้วยภระญาณของพระพุธจาพระหารดีมีที่ประจักสูตรตั้งเคเห็นแล้วคนเป็นนั้นมากที่เปรตแสดงตัวปรากฏให้เห็นมันก็ไม่เยอะไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือคนบางคนที่อ่อนไหวไปตามกระแสที่จริงไม่จริงจริงไม่จริงเห็นไหม ก็ทำให้แกศึกษาค้นคว้าแล้วก็หลวมเนื้อหลวมตัวเข้าไปเยอะพอสมควรแต่พอพอมีข่าวหนึ่งซึ่งว่าที่จริงมันไม่มีอะไรนี่ะนี่มันจิบตาโนภาพเฉยๆมันพลังภายในเราเนี่ยพลังภายในเราเองที่ถ้าหากวารารวมเป็นสมาธิแล้วดึงขึ้นมาใช้ได้เนี่ยมันก็ใช้ได้เยอะแต่เราดึงึ้นมาได้น้อยแ่นั้นเอง ัจิตตานาภาพของมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วใยธรรมชาติคนบางคนเนี่ยคนอื่นโกรธมุ่งเข้ามาทำร้ายเนี่ยพอทัานมองด้วยความเมตตาเนี่ยใจมันอ่อนวอบไปเลยทำไม่ได้เราลองดูตัวอย่างที่พระเทวทัตปล่อยช้างนาลาคิรีมาให้แทงพระพุทธเจ้าเห็นไหมว่าจิตตานุภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ย ทรงมากไว้ด้วยกรุณาต่อช้างช้างที่โหดร้ายมันถูกสลายความร้อนของโรษะเนี่ยมันถูกสลายด้วยเมตตาการุณาของพระองค์พระงาปักดินสยบเลยแล้วก็เดินกลับเข้าอันนี้คือจิตานุภาพธรรมดาแล้วก็มีการฝึกกันมาฝึกได้มากได้น้อยก็ไม่รู้นะที่จะนกฝึกจิตจนขนาดว่า ส่วนมากเป็นแนกอฮอล์แอกอฮิลเช่นว่าอโปกสิอลเป็นเตโชกสิอลเพ่งเตโชกสิอลเป็นอโปกสิอล์ก็สามารถเอาเอามือใส่ลงไปในน้ํามันเดือดๆได้เพราะน้ํามันนั้นที่จริงสมรับท่านก็คือน้ํานั่นเป็นอโปกสิอล์สมบับท่านมันเป็นกระบวนการทางจิตนะฝึกจิตแล้วก็มีการฝึกจิตกันในสถานที่หนึ่ง เห็นสามารถเอากระดาษที่ชู่ไปตัดตะเกียบอะไรต่อะไรเนี่ยที่จริงเนนก็าต่อ ม, มาก็เคยตัดได้เคยฝึกอยู่ไม่กี่วันนะเคยตัดได้แล้วก็มานั่งตัดให้ดูแล้วปรากฏว่าเด็กคนเนี้ยต่อมาเขาก็เรียนไปได้ดีนะครับแล้วคนก็ปฏิเสธกลายเป็นเรื่องหลอกลวงมันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงนะนี้มันเรื่องจิตตาสาภาพเฉยๆใครฝึกได้ก็ทําได้ เพราะว่าพลังจิตเราเนี่ยมันอีกเยอะที่เราเอาออกใช้ไม่ได้เพราะในการที่ใช้อุเบกขาเนี่ยจึงคือพลังจิตอย่างหนึ่งที่อารมณ์มันกระแทกแต่ไม่อ่อนไหวไม่วันไหวไปกับอารมณ์ที่มากระแทกเพราะใจมันมีพลังคืออุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ก็อยู่โดยดําพังนะฮะไม่ใช่ก็อยู่โดยดําพังก็มีสัจจะก็มีอธิฐานก็มีธรรมะอย่างอื่นอีกเยอะเลย อยู่ด้วยกันแต่ว่าอาการที่เด่นในตรงนั้นแหละมันก็เป็นอุเบกขาจากในกรณีของฉลังอุเบกขาที่ว่าไว้ในวันก่อนก็เป็นอาการสติระ ล, ลึกรู้อารมณ์ที่มากระทบแล้วก็ปัญญาก็เข้าวินิจฉัยดีที่สุดก็คือวางเฉยมันคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับในชีวิตประจำวันของเราเช่น วันดีคืนดีที่จึงกวันร้ายขึ้นร้ายอ่ะนะฮะคนข้างบ้านเมาอลวาดท้าตีท้าต่อยรอบไปหมดเลยสติผมก็เรื่อง่าเออเขาเมานะตอนนี้ก็มังเมาขาดสติเขาะจะเอาเรื่องอะไรอ่ะออกไปตีกับเขาแล้วสมมุติก็าท้าเราเนะี่ยจะออกไปตีกับเขาล่ะเราไม่ได้เมานะ่ยเพื่อนก็ช่างเขาก็ปล่อยเข้าไปไม่ยินดียินร้าย นะไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาไม่เอาเรื่องกับคนป่วยอันนี้ก็คือแนวที่ทำใจเป็นอเคคุเบกขาเพราะเรารู้สถานภาพของคนเหล่านั้นว่าไม่รู้จะเอาอะไรกับท่านอ่ะอาาเมาอ่ะคนนี้เขาบ้าวันก่อนได้อ่านหนังสือมีคอลมนิดคนหนึ่งเขาพูดเรื่องปาประมุตไปท้าความถึงพระอาจารย์บัว ในเรื่องที่เกี่ยวกันเนี่ยเกี่ยวกับผ้าป่าอะไรช่วยชาติเนี่ยนะแล้วไปอธิบายป้าประมุศเอาเองนะป้าประมุตศเขาไปได้นนหมายความอย่างนี้ป้าประมุตศมันมีสองความหมายความหมายหนึ่งนั้นคือเป็นปูชนียบุคคลที่สูงส่งไม่มีบาปนะเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายอะไรต่ทั้งหลายเนี่ยเราเคารพถือถุนท่านในฐานะที่ท่านไม่มีบาปเราก็ถือว่าท่านไม่มีบาป สมมติว่าท่านจะดุจะตำหนิมันก็ถือเบืองก็ได้สี่ได้พรจากท่านอีกอย่างหนึ่งโดยในยะเดียวกันได้ใช้ของคุณอาวุธอวัยวุธนะฮะใช้วยาวุธของท่านเป็นผู้เท่าเป็นผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายทวดอะไรแต่อะไรนี่นะะคือผู้ใหญ่อะ่ะผู้ใหญ่เหนือเราไปเยอะเลยก็เรียนว่าอปู่ตายายายขึ้นไป ก, กันแนละ้วกันขนาดนั้น ท่านจะด่าจะว่าจะตำหนิจะตักเตือนจะดุจะอะไรก็ช่างทันเรามองรู้สึกอบคุณเหมือนก็ท่านให้สิ่งให้พรกัเราแล้วก็คำทั้งหมดเนี่ยมันไม่ไปกระทบใจเราเพราะยกท่านขึ้นเหนือความรู้สึกนึกคิดที่จะโกรธตอบจะเกลียดตอบจะโต้อตอบเนี่ยมันไม่มีความคิดอันนี้ก็คือปาประมุษ คือถือว่าพ้นจากบาปมันไม่ใช่ท่านปัมป้มปำเป๋อๆนะะคือหมายความเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือแล้วท่านด่าท่านว่าท่านทวงดิงอะไรก็ช่างท่านมันเป็นกุศลแลเจตนาแต่นั้นท่านหวังดีแ้่นั้นก็แสดงว่าท่านสนใจท่านรักเราใจเราก็ไม่ยินดียินได้นะยินดีนะฮะแต่ก็ไม่ไมายินได้แต่ยินดีนี่เป็นกุศลนะยินดีเป็นกุศล รู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจที่ท่านได้ทำนิท่านว่ากล่าวบางทีท่านก็อาจจะด่านะญาติจะทวดด่าอย่างเงี้ยนะทวดดา่าญาติด่าปู่ดาไอ้ปู่ด่าเนี่ยมันก็รู้สึกว่าท่านให้พรนะ่ะนั้นมีนานมาแล้วสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าหม่อมราชวงศ์ชื่นกรมหลวงชินวอนอรอ์กรมหลวงวชิรานวง์นะ อุป च าญากันในหลวงเนี่ยตนน่นหน้าม า, ม า, ม, ามาพักสอบที่วัดประโวนปศสองพันห้าร้อยสุดสุดจะห้าร้อยหนึ่งนะก็วันหนึ่งท่านลุกขึ้นมาจากเตียงนะฮะคือพระที่ไปดูแลเนี่ยมาไปตับตั้งวงคุยกันอยู่แข่งเด็กไม่มีใครมาดูแลเ อ, เอาใจใส่ท่านก็ไปเป็นดุถึงห้องเลยลงไปจากเตียง คนที่ถูกดุเถ็งที่จะตกใจจะกลัวจะเสียใจโอ้ยดีใจใหญ่ดีใจเป็นเล่าพืน้นไปเจอใครก็เล่าเล่าโดยความปราบปรื๊มนะตื่นตันอย่างดีเสียงนี่แสดงถึงปีติปราโมดมากที่สมเด็จ ด, ดุเอานี่ก็คืออะไรคือป่าปรมุดในความรู้สึกของท่านเนะี่ยการดุด่าเหล่านั้นก็เหมือนการให้สีให้ฟอดเพราะในการมองในแนวไม่ยินดียินร้ายที่จริงเรามองได้หลายแนว เราสังเกตว่าแนวสูงเราก็มองมันป่าประมุดไปเลยแนวหนึ่งเขาอาจจะดุ ด, ดา่าอาจจะตําหนิอาจจะทุ่งจริงเราวิเคราะห์สิ่งที่เขาทําไม่ใช่วิเคราะห์สิ่งที่เขาประรุบด่าเราหรือตําหนิเราหรือทุ่งจริงเราแล้วก็หาให้เจอถ้าไม่เจอนะฮะถ้าไม่เจอความผิดบอกวันนี้ขนาดไม่มีผิดเนี่ย ยังถูกตาหนิขนาดนี้ถ้าผิดแล้วจะจะเป็นยังไงพร้อมก็จะเกิดสมบูรณ์ระหว่างเงี้ไหมเราหาประโยชน์ได้เราก็ไม่ทางยินดีไม่ยินรายอะไรแต่ก็ค่อนไปทางยินดีแต่ยินดีตรงนี้ไม่ว่ากันนะยินดีที่ท่านเมตตาว่ากล่าวตักเตือนแนะนําสั่งสอนคําว่ายินดีในที่นี้ที่ท่านท่า น, ท, านท่านให้ทําใจเป็นกลางเนี่ยคือยินดีแล้วเพิ่มกิเลสอ่ะที่จริงมันก็คือโลภะนั่นเองโลภะราคะ รัติยินดีอะไรแต่ไรเนี่ยก็แล้วแต่แต่ถ้าเกี่ยวกับธรรมะไม่ว่ากันมันก็โครงสร้างเดียวกับอินเสียสังวรเนี่ยที่ว่าคือเข้าหมายเฉพาะในกรณีที่จะเกิดกิเลสเพราะอะไรเพราะธรรมะมันเกิดไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันไม่ได้เกิดที่อื่นเนี่ยกิเลสมันก็เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายเ อ, อธรรมะมื่อเกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเพียงแต่ว่าการทําใจเป็นกลางเนี่ย ยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนจักชวนกระรุนแรงมากๆเนะถ้าเราอ่อนไหวจริงๆนะฮะสมมติว่าเชิญไปเที่ยวมีการแสดงในที่ต่างๆแล้วเราอ่อนไหวไปตามเขาหมดเนี่ยเดี๋ยวสมมติมีเงินนะมีเวลาว่างด้วยเอา้ามีเงินด้วยมีเวลาว่างด้วย วันที่เราจะไปเนี่ยจะใช้ไม่พอเพราะจริงๆมันมากกว่าสา5ร้อยหกสิบห้าสารคอสุกวันเหตุการณ์เหล่านี้ยเอาจะเพาะเอาใกล้ๆในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆที่สามารถที่จะนั่งรถไปไ ป, ไปมาได้แต่นั่นก็คือการยั่วยวนให้เกิดความอยากก็ยั่วให้อยากสังคมเลยอยู่อย่างอยากปัญหาใหญ่บังจึงมาจาก ถูกโน้มน้าวกระตุ้นเชิญชวนชักชว น, ชว น, ชวนล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆให้เราเกิดความพอใจยินดีในเรื่องแบบนั้นอย่างเราดูทีวีนะอย่างนึนกว่าเออเวรกรรมบ้านเมืองเราเนะี่ยมีคนเยอะไปที่ว่ามีหลักวิชามีความรู้อะไรแต่ละแต่มีแต่เกมโชว์มีแต่ชิงรางวัลมีแต่อะไระวิทยกรพิธีกรส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีความรู้ที่เป็นสาระแก่นสารอะไรนะ แล้วแปลกิจกรรมในแนวนี้จะอยู่ได้เป็นหลายๆายปีมีสปอนเซอร์สนับสนุนต่างๆเยอะเลยแต่เรื่องที่มันประเทืองปัญญาที่เป็นสารค ด, ดีที่น่าสนใจอย่างเวนี้มีวุธิสมาชิกท่านหนึ่งก็คงไม่ต้องออกชื่อกันนะครก็มาคุยสองครั้งแล้วก็อยากจะทำสารค ด, ดีที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นก็ทาเส้นทางสายใหม่ซึ่งหมายความว่าเราทาได้เนี่ยนะ ยึดับจะเป็นประโยชน์มากมายมห า, าศาลมากนอกจากจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของโบราณคดีเป็นเรื่องศาสนากำหนดตำเนียประเพณีวัฒนธรรมสำนึกถึงคุณค่าของผลงานที่บรรพชนท่านสร้างสมบูเอาไว้เนี่ยมันก็ใช้ทุนมากแต่ว่านึกว่ามันไม่แปลกอะไรเหมือนกัเรื่องอะไรที่เขาเคยทำได้คว้าสีครามอะไรเนี่ย ปรากฏว่าหาสปอนเซอร์ไม่ได้จนทุกวันก็แนะนำเขาไปในวดัดบางวัดก็ปรากฏว่าไม่ได้ท่านก็ไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ช่วยเหลือทีนี้หาเศรษฐีที่เขาเป็นสปอนเซอร์ไอ้เกมโชว์ทั้งหลายเนี่ยคงไม่ให้เหมือนกันนั่นคือแสดงว่าเราอยู่ในสังคมที่มีลักษณะยัว่วยอยวนลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายพูดง่ายว่าเราอยู่กับพวกกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลาย เราก็คือเหยื่ออย่างหนึ่งที่ถ้าเราหลงลิ้นหลงลงเขาเราก็ตกเป็นเหยื่อปัญหาอย่างไงจึงจะวางใจเป็นกลางคือไม่ยินดียินไร่กับอารมณ์ที่เขายัว่วยวนเขนาโฆษณาโฆษณาก็สักแต่ว่าโฆษณาแล้วก็บางอย่างเนี่ยไม่ค่อยดูอะไรนะถึง ความเหมาะความควรเวลาเนี้ยนึกว่ามันประชาธิปไตยมันเตลิดเข้าป่ากันไปแล้วการโฆษณาต่างๆภาพโฆษณาต่างๆจะรู้ตามป้ายรถเมย์ตามอะไรเนี่ยโฆษณามันมันน่าเกลียดแล้วก็ทำลายเอกลักษณ์ของชาติไปใต้แนวมาจากฝรั่งต่างชาติโฆษณา แล้วมันก็ไปโทษเรื่องปัญหาอะไรล่ะชุดครานอาจารย์ปัญหาทางเพศปัญหาตามมาไม่รู้อวไการโฆษณาเนี่ยมันไปยั่วยวนความรู้สึกทางสังคมโดยเฉพาะของบุคคลบางประเภทถึงจิตใจแกอ่อนแออยู่แล้วนะครับไม่ค่อยปกติอยู่แล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอะไรล่ะที่เวลาจะเติมน้ำมันเขาบอกดับเครื่องซะก่อนเพราะมันไวไฟ น้ำมันไวไัยใมันก็อาจจะลุกไหม้กึนมาได้ห้ามสูบปริห้ามอะไรไมะไรอารมณ์ของมนุษย์เรามันก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละคือเรื่องบางเรื่องมันต้องดึงให้ห่างคือถอยห่างออกไปเสียทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาที่ยุ่งที่สุดเแบบนี้อารมณ์มันวิ่งเข้ามาขดภาพของการด้วอยวนภาพของการด้วยุภาพของต่างๆซึ่งปรากฏทางสื่อทั้งหลายแล้วก็สื่อเนี่ยโอ้ก็น่า ก, กลัว การราชการเองก็หวือหวาครงคราบไปสักพักหนึ่งหนังสือเราเนี่ยพวกวีดีโอพวกอะไรแหละพวกซสีดีพวกอะไรที่จับกันทียังเป็นไม่ใช่เล่นนะฮะร้อยห้าสิบล้านสามรอยล้านพูกกันขนาดนั้นทั้งในมีอะไรก็ไม่รู้นั่นคือปัญหาที่เรียกว่ามันรุมราวเข้ามาแล้วถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลผู้รับสื่อเหล่านั้น ไม่รู้จักทําใจสงบใช่บ้างเปรุงคิดคิดปรุงตามไปที่เขาเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือก็ข้อให้เต้นไปตามจังหวะที่เขาอยากให้เราเต้นเราก็เต้นตามไปเรื่อยในสุดมันก็จะเพิ่มปัญหาเพิ่มภาระให้เป็นนั้นมาเพราะแนวชลังฉลังคู่เปรขาก็คือแนวอินทรีย์สังวรที่จะต้องใช้เป็นหลักมากๆ อินทียสังวรกนะ็คือการสำรวจระวังเวลาเห็นรูปฟังเสียงรมกลิ่นริมรถถูกต้องยืนด้านอ่อนแข็งเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตประจําวันโลกเราไม่โลกสัมผัสก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงมันก็มีแค่เนี้ทํำยังไงว่าทําใจระวังใจอย่าให้กําหนัดย้ายกัดเคืองอย่าให้กำหนัดย้ายโลภนะอย่ากัดเคืองอย้า ย, า ล, นะ ย, ายาลุ่มโรยย้ายประมาทไปตามแรงกระตุ้นของอารมณ์เหล่านั้นโดยการทําจิตของตนให้สงบ เพราะอารมณ์นั้นเป็นค่าสึกต่อความสงบมเมื่อธรรมจิตจะสงบรื่อเบิขาอารมณ์เหล่านั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้เพิ่งฟังทัหลายแต่หลวงประโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้ อ, องามไพลบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี